สภาน่วยรับงานปกครองท้องถินเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิมจะเริญก้าวไกลชาติหนุนเรื่องให้ประเทืองและงามมิเลยอาณาไม่พระปานาไปขอตั้งใจอาตาสภาน่วยรับงานมากมายหลายด้านเจ็บหรือตายหุนไวยายบ้านเทศสภาลต้องรับแจ้งมาเฝ้าทํากานที่ทางานพร้อมไปทุกนาเพื่อนนครนิวัฒนาเป็นคน คนกไกลเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามกลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเพื่อคุ้มครองคนละม้างให้กำลั ง, งใจด้วยการรับใช้กันไปเหนื่อแค่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งทันินสุบสรนทั่วกันเทศบาลก็คือเราไม่ช่วยสัมพันธ์เทศบล องค์กานคอยรวมมือ สภาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นเจะเอิญก้าวไกลาชาติเป็นเรื่องให้ประเทืองและงามไม่เลยอาณาไม้พระปาน้ำไปขอตั้งใจอ า, จาสาสภาน้วยรับงานมากมายไร้ด่านเจ็บหรือตายหุ่นไว้ใหญ่บ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเฝาทำกานที่ทำงานพร้อมไปทุกราเพื่อนครนิวัฒน์นาเป็นคน เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามการลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยัลมัังใจด้วยการรับใช้กันไปนไหนไม่ีผู้แทนเของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งทานิสุขสันต์ทั่วกันเบอเราในช่วยสัมพันธ์เทศ อ, อย่างระเทศศรีราอาที่ลังศาตรดีเมืองพระสีพนมบาตรแหล่งไม้กว่าตองกงดอหอมแดงเรื่องชื่อนาระบือตำนานเมืองแม่ไม้วิสัยทัศน์ของเทศบาล ศรีพนมัาติคือศูนย์กลางแห่งอระยธรรมแหล่งการเรียนรู้และความบุดมสมบูรณ์ของเมืองลับแฝดที่ไม่มีวันสิ้นศูนย์สลายสวัสดีครับคุณนุ่งางครับพบกับรายการเสียงตามสายงานประชาสำคัญของทางเทศบาลตำบลศรีพนมมาติเมืองลับแฝดครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2565 หลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้พบกับรายการสาระน่ารู้17นาิกา30นาทีจะเป็นรายการข่าวสารข่าวฝากต่างๆของทางราชการและบทเพลงตามคำขอเชิญท่านฟังรายการของเราได้ตามลำดับครับ บ่จดบ่จำทั้งบ่คำบ่แกวไอบอกเจ้าแล้วบ่แกวบ่คำบ่จดบ่จำทั้งบ่คำบ่แกวเจ้าปีบ้านเฮาเหมือน บอบปิดบานาห้าแหมแล้วในเวียงมันฝ้ายอายเคยไปว้วอายเตือนเจ้าแล้วใจคนในเวียงส่วนน้ำใจคนแคบตีบคายหูเข็ม บางคนใจเข้มยิ่งกว่าเกลือกินกับเมียงบอกเคยจริงใจอายบอกแล้วยังเทียงบางคนใจเข้มยิ่งกว่าเกลือกินกับเมียงบอกเคยจริงใจอายบอกแล้วยังเทียง ไปเดินเคียงคู่คนใจดําบอกเจ้าแล้วบัวกแก้วบวกคำบอโจดบอจําทั้งบวคําบัวแก้วไอ้บอกเจ้าแล้วบัวกแก้วบวกคำบอโจดบอกจำ หลังาแต่ยังขาดคนเหือปุยหือน้ำไม้กวาดยังขาดคนทำอยากเข้าเวียงซ้ำเหมือนแม่งเมาเข้าไฟเลยแก่เอ้ยคำเอ้ยเข่านี้บอกเคยกึดรังเกียเธอยังรักเสมอทั้งบัวคำบัวแก่ บัวคำบัโจ๊ตบ่วจาทั้งบัวคําบัวแก้วให้บอกเจ้าแล้วบัวแควบัวคำบัวโจดตบัวําทั้งบัวคําบัวแก้ว บัวคำบัโจ๊บัวจำทั้งบัวคำบัวแก้วไอบอกเจ้าแล้วบัวแก้วบัวคำบัโจ๊บัวจำทั้งบัวคำบัวแก้ว กันมาแต่โดนแล้วบ่มีวี่แววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางมิแต่ขี้ไงแล้วจังใดคือมาเป็นลายต่างสิบสีห้างหรือสาสิหัางสิจับมือกันอย่างว่าสันว่าหัวใจสวยน้องบ่หัวสาบัดสิวะเข้าไปกันบ่ได้ Say what's important. Say what's important. Say what's important. Say what's important. Say what's important. Say what's important. ตาพังลงย่างยาว ย, า อ, ย, า อ, ยอนผู้สาวเปลี่ยนใจให้จนเซบอกคิดบอฟฝันว่าฮักสีหางสีเพสเลเตดอกมีไรกลิ่นหอมเห็ดจังใดหัวใจบ่พร้อมหรือต้องยอมรับความเป็นจริงอีหลีให้สาดาให้ตายมือนีให้คนที่ลืมสัญญา Say w i o n t a n t Say what's important. Say what's important. Say what's important. Say what's important. ฉิมกันโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้้อ สวัสดีครับคุณนุ่ฟังสวัสดีวันแดดดีครับแดดสดใสคุณนุ่ฟังแม้ว่าเมื่อวานนี้ครับอยู่ๆฝนเทลงมาสักพักแต่ค่อนข้างหนักคุณนุ่ฟังบอกเลยว่าหนักครับทางในเมืองนี่ฝนไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นคุณนุ่ฟังถามๆกันมาดูครับแต่ละแรลนี่จัดหนักจัดเต็มทีเดียวคุณนุ่ฟังนี่มาแดดเพลียงอีกแล้วครับแดดดีจริง อ่ะก็นั่นแหละครับต้องอย่างที่บอกครับจะเดินทางเยื้งย่างไปไหนตรวจสอบปลายทางกลางทางด้วยยิ่งดีครับเราก็จะได้เตรียมความพร้อมเพราะเห็นแดดดีแบบนี้พอขี่มอเตอร์ไซค์ไปเดินทางไปฝนตกหนักกลางทางก็มีออกจะบ่อยคุณผู้ฟังฉะ น, นั้นเป็นไปได้ก็ลองสำรวจก่อนครับปลายทางเป็นแบบไหนมีฝนมีฟ้าไหม จะได้เดินทางแบบไม่ต้องกังวลอะไรมากสนุกสนุกคุณู้ฟังวันพรุ่งนี้20กันยายนครับและแน่นอนครับว่าในเขตเทศบาลของเรานั้นก็เป็นวันที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันพรุ่งนี้20กันยายนสำหรับชาว ชุมชนฟักท่าหัวร้องป่ายางครับท่านที่อยู่ในชุมชนฟักท่าหัวร้องป่ายางต้องการมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าถึง4โมงเย็นครับก็ไปลงได้ที่ทำการชุมชนยางกระไดเหนือนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารทกสครับมารับ ลงทะเบียนให้นะครับมาเอานวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีพนมมากครับ20กันยายนนะครับสำหรับท่านที่อยู่ชุมชนฟักท้าวหัวร้องป่ายางไปลงทะเบียนที่ทําการชุมชนยางกระไดเหนือ21กันยายนท่านที่อยู่ชุมชนคอกช้างอยู่ชุมชนตลาดรับแลไปลงทะเบียนที่ทําการชุมชนคอกช้าง 22กันยายนท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดใต้อยู่ชุมชนบ้านหนองไปลงทะเบียนที่ทำการชุมชนยางกระไดใต้23กันยายนท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดเหนือและทุกชุมชนที่อาจจะเอกสารไม่พร้อมหรือในเรื่องของการยืนยันอาจจะไม่พร้อมก็สามารถมาลงได้อีกครั้งในวันนี้ วันที่2 2 23ครับขออภัยครับวันที่23กันยายนที่ทำการชุมชนยางกระไดเหนือทุกชุมชนทุกวันเริ่มตั้งแต่9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นนะครับฉะนั้นเอกสารที่ท่านไปรับมาจากประธานชุมชนกรอกให้เรียบร้อยให้ครบถ้วนแล้วมายื่นตามวันและเวลาที่แจ้งไป หากมีปัญหาก็ยังมีวันที่23กันยายนอีก1วันนะครับสำหรับเก็บตกไปยื่นได้ที่สำการชุมชนยังกระไดเหนือครับก็เป็นเรื่องราวของการลงทะเบียนครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รอบปี65นะครับที่ขอประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านทุกชุมชนครับไปลงตามวันสถานที่ในแต่ละวัน ของตัวเองนะครับ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับ กันนานคิดถึงจังเลยเธอเอยน้องเอยจะรู้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้าทั้งยืนและเท้าห่นคืนจึงหยิบเอารูปที่เธอให้วา ใจหัวใจสั่นพี่กลัวไอ้นุ่มอยู่ข้างหลังมาตื้อน้องนางควันยืนพี่จนต้องฟืนยืนรองไห้โทมากรุงแทเที่ยวหางาน ใจหวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอชองรอพี่ก่อนพะวอนเถิดน้องอย่าให้พี่มองพระน้องนะพี่รักเงมือนวันอย่างสุดซึ้งคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าเธอส่วนพี่สิเพ่อ คิดถึงดางแรง ยาเราหัวใจเฝ้าร้องละเมอ ก, ก็มีแต่เธอ จะก้าวผ่าทุกวันด้วยใจรักแท้ยามที่อยู่ไกลเกินเอื้อมมือไปเทแค่ยังได้ดูแลด้วยการกดมือหากัน ฉันก็เคยผ่านกับการต้องทรมานที่ตั้งใจไว้ไม่เป็นหนึ่งใจแต่ทำให้รู้มันไม่ได้อะไรที่มัวฟุ้งไฟที่พวยที่ภายอย่างนั้นเมื่อของหมดใจแต่อีกใจยังรักแท้ตายให้เธอทิ้งมันไปอะไรที่ ไม่ใจนั้นต้องเจ็บอย่าคีบเอาไปคิดว่าชีวิตที่เหลือนับจากวันนี้เธอไม่เป็นอะไรเธอยังหายใจอยู่หลังฝนฟ้าฟ้าสวยงามเสมอถ้ถาตามไม่มีเขาแล้วทําให้ ยังดีกว่าการที่มีใครแล้วทําให้ร้องไห้ตลดเวลาตัดอกตัดใจแล้วเดินจากไปเสียดีกว่าอย่าไปให้ราคาไรกับคนที่มันไม่เคยเห็นค่ากับความรักเลย จงยิ้ให้กับความจริงแม่ต้องสู้กับหูทุกสิ่งแค่เพียงลําพัง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 เคยเห็นค่ากับความรักเลยกับคนที่มันไม่เคยเห็นค่ากับความรักเลย เขาแต่ สาระน่ารู้วันนี้ครับเอาเรื่องนี้และกันรับกับช่วงของมีฤดูฝนแบบนี้คุณผู้ฟังผมหยิบเอาเรื่องของผลไม้มงคลครับที่ควรปลูกในบ้านครับให้ร่มเงาส่วนผลก็กินได้ด้วยคุณผู้ฟังชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นผลไม้มงคลครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลที่ควรนํามาปลูกไว้ในบ้านช่วยเสริมความเบนสุริมงคลให้กับคนในบ้านพร้อมกับป้องกันภัยอันตราย หลายอย่างด้วยตามความเชื่อคุณฝั่งฟังมีอะไรบ้างอันดับแรกครับแน่นอนคุ้นเคยกับคนไทยมะยมคุณฝั่งฟังแค่ชื่อก็บอกถึงความนิยมชมชอบแล้วครับท่านนำมาปลูกไว้ในบ้านก็จะมีแต่คนรักใคร่สรรเสริญไม่มีศัตรูให้กวนใจแล้วก็ยังช่วยป้องกันพูดผีร้ายที่จ้องจะมาทำร้ายคนในบ้านทางนี้ก็ควรปลูกให้อยู่ในทิศตะวันตกเพื่อเสริมดวงครับ ช่วยป้องกันมนดำสาสยศาสตร์และช่วยให้คล้วคลาดจากคดีความทั้งหลายก็ปลูกจากเม็ดก็ได้คุณผู้ฟังรดน้ำเช้าเย็นตั้งต้นให้โดนแดดเท่านี้ก็จะได้ต้นมะยมครับส่วนลูกก็ อ, ออกเปรี้ยวๆอันนี้ไปทำอย่างอื่นก็ได้เช่นกันคุณผู้ฟังส่วนยอดมะยมอ่อนนี่จิ้มน้ำพริกก็อร่อยคุณผู้ฟัง มะม่วงครับต้นมะม่วงครับต้นไม้มงคลที่คนโบราณ น, นิยมนํามาปลูกไว้ในบ้านเพราะเชื่อกันว่ามะม่วงจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายคนไม่ดีและก็เรื่องไม่ดีให้ออกไปป้องกันคนในบ้านจากอันตรายทั้งปวงอีกทั้งหากนําไปปลูกในทิศใต้ของบ้านก็จะทําให้ฐานะร่ํารวยมีกินมีใช้ไม่ขาดสนธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรือง อันนี้ก็ตามความเชื่อแล้วคุณรู้ฟังแต่ก็มะม่วงนี่หลายบ้านครับที่ปลูกมะม่วงครับแล้วก็ตัดแต่งเพราะว่าถ้าปล่อยไว้บางพันธุ์ก็สูงใหญ่แล้วคุณรู้ฟังหรือมะขามครับหลายบ้านก็นํามาปรุงอาหารครับนำมาปลูกในบ้านปลูกคู่กับบ้านไว้ก็ยังมีความหมายที่เป็นมงคลครับ ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูสง่าจนใครๆก็ตั้งพากันเกรงขามให้ความเครคยกย่องก็จะนํามาปลูกไว้ทิศตะวันตกครับก็จะช่วยป้องกันวิญญาณร้ายและเรื่องอื้อฉาวให้ห่างไกลจากคนในบ้านอันนี้ก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังแต่แน่นอนครับต้นมะขามนี่ก็ตัดแต่งหน่อยก็ดีคุณผู้ฟังขนุนครับนอกจากจะให้ร่มเงาครับเนื้อแล้วก็เมล็ดของขนุนก็ยัง กินได้ด้วยคุณผู้ฟังรสชาติหวานแล้วก็หมั่นกับหากนํามาปลูกไว้ในบ้านก็จะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคนในบ้านเป็นที่รักใคร่มีคนสนับสนุนจุนเจือปลอดภัยจากการนินทาว่าร้ายและอันตรายทั้งปวงครับเขาแนะนําให้ปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะช่วยให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจครับตามชื่อนั่นเองขนุนก็มีคนหนุนคนค้าว่าอย่างนั้น กล้วยครับใครก็รู้ว่าต้นกล้วยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนครับเป็นต้นไม้ที่อยู่คั่วคนไทยมานานแสนนานครับตามความเชื่อโบราณกล่าวไว้ว่าหากนำมาปลูกในบ้านจะทำให้ชีวิตราบรื่นสมหวังดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการคิดจะทำอะไรก็จะง่ายไปสีหมดการปลูกกล้วยควรปลูกไว้ทิศ ต, ตะวันออกครับเพราะจะช่วยเสริมดวงเรื่องโชคลาภให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยแต่ก็เป็น ผมว่าเป็นต้นไม้ที่หลายอย่างครับแต่ไม่มีใครเรียกเรียกรู้ว่ากล้วยคุณผู้ฟังแต่พอเอาเข้าจริงๆครับใบไม่ค่อยจะเรียกใบกล้วยเรียกใบตองมีกล้วยครับผลกล้วยเครือกล้วย อ, อันนี้เรียกกล้วยต้นมันพอผ่าออกมาจากต้นกล้วย กลายเป็นเรียกว่าหยวกใชอย่างงั้นคุณรู้ฟังอ่ะก็มีหลายๆอย่างครับนะไม่เรียกใบกล้วยเรียกว่าหยวกเรียกใบตองอ่ะก็แปลกดีคุณรู้ฟังหรือจะเป็นทัพทิมครับมะกอนั่นเองผลไม้มงคลที่ควรหามาปลูกไว้ในบ้านครับนอกจากจะมีผล ส, สดๆที่สามารถเก็บกินได้แล้วต้นไม้มงคลชนิดนี้อย่างเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ถ้ากํามาปลูกหน้าบ้านก็จะช่วยป้องกันอันตรายจากสิ่งไม่ดีให้พ้นไปส่วนใบทับทิมครับนำมาพรมน้ำมนต์ให้กับคนในบ้านหลังกลับมาจากงานขาวดำงานศพนะครับก็จะช่วยป้องกันภัยให้แก่คนผู้นั้นได้อีกด้วยอ่ะก็อันนี้ไม่ได้บอกครับว่าปลูกไว้ทางที่ไหนอ๋อปลูกไว้ทางหน้าบ้านคุณรู้หรื่าหรือจะเป็นฝรั่งครับมะแกว ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงรับมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างครับถ้านํามาปลูกไว้ในบ้านก็จะช่วยเสริมความเป็นซื่อบริมงคลบารมีมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็ยังช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายจากมลดามและไสยศาสตร์เขาบอกว่าควรปลูกไว้ทางทิศเหนือของบ้านครับเพราะจะช่วยส่งเสริมความเป็นซื่อบริมงคลให้มากขึ้นส่วนอันนี้พุทธสาครับ นอกจากพุทราจะมีรสชาติที่ถูกปากคนไทยแล้วก็ยังเป็นต้นไม้มงคลแทนสั ญ, ญลักษ์การประสบความสำเร็จอีกด้วยครับทั้งยังช่วยเสริมทรัพย์และโชคลาภป้องกันอัตรายจากอาคมไสยศาสตร์ไม่ให้มาทำร้ายคนในบ้านได้ก็เป็นอันนี้ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าปลูกไว้ทางด้านไหนขอให้ปลูกไว้ในบ้านว่าอย่างนั้นก็เป็น เรื่องราวครับของผลไม้มงคลครับปลูกก็ได้ประโยชน์ได้ในเรื่องของความเป็นมงคลในบ้านด้วยและก็ได้ในเรื่องของผลที่นํามากินให้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับก็เป็นสาระน่ า, นารู้ที่ยิ้มมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไปสี่ไปใสกระใสหัวไปเบิดเวลาแล้วอย่าอ้นอัวลายแฟนไหมสิเข้าใจพี่ แฟนเก่ายัางบอดได้เจ้าบอดเต็มใจยานทุาคูว่าเฮานั้นเคยหักกันให้อ้ายลืมสาวสันเธอสุดท้ายที่เฮาสิเจอกันบอดจำเป็นก็บอต้องมาเสมอนาสิให้อ้ายอยู่ ้านะยังเอ้ยป า, ากทางน้องลาได้ฟังคำตอทั้งน้ำตามาเจ้าบอกว่ามีสิ่งเดียวที่พอเป็นได้ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไปสี่ไปใสกก็ใสหัวไปหมดเวลาแล้ว อย่าอ้นอัวลายแฟนใหม่สี่เข้าใจที่นีดใครเป็นแค่บุคคลทั่วไป ปากถามนองลได้ฟังคำตอทั้งน้ําตาเมื่อเจ้าบอกว่ามีสิ่งเดียวที่พอเป็นได้ แค่บุคคลทั่วไป ที่ดินบอ่อเห็ดหัวใจเอาไปไม่มาซื้อโตน้องไว้สันติจังบ่อเห็นค่าคือจังหากก ร, รละหาละสิบที่อายิบติดมือขึ้นมามีไว้ซื้อซบอ่อได้ราคาหล็กตะ ว, วาัาซิอยู่สิไป บอกพอไอจึงขอคอดคอนหัวใจมาใหา้คือจังอาปากต้องนำข้างมาแก้กะหายเอาเสียใจอย่าใส่ไว้กันตายหากพอกรรมกรรมมีเสียในหัวมเียอไม่แค่เพียงหมัว i o t h a m e m o r i l Not i s t p o u r i n e เนื่อนวันสัญญาพอแห้งแลมและเดนองลาใจคนทามันจอยมันพอซ้อมแต่แกแนมแต่นาเป็นตาหักหลาลอาบน้ำแล้วไม่ไมกรุ่นผมเรือนกายจำของสิห้องบางวีดีโอคอ ได้เห็นได้ยิงแต่ไร่ลิงนดมดองจูกจอมือถธอมมมอ ง, มองรอถาเมือพร้อมจับซิเมนมือใดได้แต่กอดทิพย์ได้แต่กอดทิพย์ได้แต่กอดทิพย์เขียยเบืองรูปสมัยแรกจริงก็สมมุดเอาว่ากอดแบบใดในโลกความจริง ยังกอนดนิสินกอดความเดียวดายถูกขังในขางเมืองใหญ่ยังเมื่อบอไดไเจ้านายพิดว่าใจคือทอดบืนให้รอดไปฮอดวันนั้นอยากเมื่อเอารางวัลเมื่อเฮาพบกันจงไว้ให้แน่ น, น ไมสิมากอดนางจริง ก็สมมติเอาว่ากอดแบบใดในโลกความจริงยัง ก, กอดนิสินกอดเพ่เดียวดายผูขังในกลางเมืองใหญ่ยังเมื่อบอดใเจ้านายป็นว่าบอกใจคิดโทษบืนให้รอดไปอดวันนั้นอยากเมื่อเอารางวัน เมื่อเฮาพบกันจงไว้ให้แน่นั้นยานคนล้อยยามใส่ยานเทเดียามอยู่หางตากอดทิพยไปก่อนเดิร์ลาแล้วอายสิพาความคือทอดมาเกาดคักๆ สภาอากาศครับพื้ฟังภาคเหนือครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรเพชสศนุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิตำสุด2 3่สสถึงยองศาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 ถึงองศาครับเหมือนจะเว้นอุตรดิต์ไปสุขโขทัยก็มีชื่อ พิษนุโลกก็มีชื่อไม่มีอุตรดิษซะอย่างนั้นก็เป็นพยากรณ์อากาศครับถึง17บนกาวันพรุ่งนี้ครับ บอคืนยืนบังคือบางคนจากจนคิดนำเจ้าจนหัวใจห้ำหอนคิดหอดตอนยังหักกันคักแน่ปานฟ้าแหลกแหลคือมือใจเจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหาฝนวนน้ำตาไยไหลเหลือแต่ห้อยหัก กวางใจเจ็บเกือบตายหักเจ้าลายไอ้บอดสมได้ยืนอดลำแนมปาทางเจ้าตั้งแต่แหมอดเสาบอกคือเกาจากเธอมันเปลี่ยนเปียนบดคือใจคนจากลาใจเจ้าคือจันฟ้า ทุกที่ได้ได้จงบอกใครๆว่านี่คือแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทยบาทีก็ เ, เหน็บหนาวบางครั้งก็ปวดเท้าแต่เราไม่ท้อค อ, อยืนสู้เพื่อวันใหม่วันที่ค่อยมา บางทีก็เหน็บหนาวบางครั้งก็รู้เทาแต่เราไม่ขอพอยืนสู้เพื่อวันใหม่วนที่ไกลมาถึ่วันนั้นสดใสผู้คนหนใหม่สรรนักในคุนแผ่นดินไทยแลนไทยแลนไทยแล กับคุณผฟังครับหมดเวลาของราการเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทังเทศบาลตะบลศรีพุณมาศเมืองรับแล้วนะครับก่อนจะการอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกครับในเรื่องของท่านที่อยู่ในเขตเทศบาลตะบลศรีพุณมาศครับที่อยู่ในชุมชนฟักท่าหัวร้องไผ่ยางนะครับวันพรุ่งนี้ท่านไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ทําการชุมชนยางกระไดเหนือนะครับ9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นครับ วันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็ไปตั้งแต่9กโมงเช้าถึง4โมงเย็นครับนำเ อ, เอกสารมากรอกให้พร้อมด้วยนะครับที่ทำการชุมชนยางกระไดเหนือครับสำหรับวันนี้คงต้องนำรายการจากลาคุณผฟังไปแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ